เตรียมตัวตายอย่างโซดาบันหมดไปอีกชาติหนึ่งนั่นอาจเป็นความรู้สึกแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้ที่ผุดขึ้นมาในใจคนทั่วไปขณะกำลังจะตายแต่สำหรับคนในพุทธศาสนาแค่นั้นไม่พอเพราะคราวนี้มีสิทธิ์เป็นพระโซดาบันผู้ปิดประตูอบายได้สนิทไปตลอดทุกภพชาติที่เหลือ ทุกคืนขอเพียงชั่วขณะเดียวที่รู้สึกว่างจากตัวตนคุณจะพบในนาทีสุดท้ายก่อนตายว่าได้สะสมความว่างจากตัวตนมาแล้วมากพอที่จะตายอย่างไม่มีตัวตนไม่มีต้นเหตุของความทุกข์ให้ยืดเยือ้อเหมือนการตายครั้งก่อนๆผู้ที่เห็นนิพพานได้เป็นครั้งแรกเรียกว่าโสดาบัน การเป็นโสดาบันนั้นก็คือการเป็นผู้ปรับจิตปรับใจให้พร้อมจะเข้าสู่ภาวะโลร่งเฉียบพลันเห็นนิพพานหลังจากเห็นนิพพานแล้วคุณจะไม่คิดอีกเลยว่ามีตัวตนถาวร อ, อยู่ที่ไหนถึงแม้จะยังหลงโลภหลงโกรธและหลงอยากได้อะไรอะไรมาบำรุงบำรเรอร่างกายนี้คุณก็จะไม่หลงเห็นผิดว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเป็นตัวคุณ ในเมื่อร่างกายมันไม่เที่ยงเราจะมีตัวเราที่ถาวร อ, อยู่ในสภาพอันไม่เที่ยงนี้ได้อย่างไรและถึงแม้จะยังหลงคิดแบบคนที่รู้สึกว่าคุณคือตัวที่กำลังคิดคุณก็จะไม่ปักใจสำคัญมั่นหมายหรือเปล่าประกาศยืนยันว่าความคิดคือตัวตนที่แท้จริงในเมื่อเห็นชัดอยู่ว่าความรู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นแล้วต้องดับลงเป็นธรรมดา แปบรวนไปเรื่อยๆอหาบุคคลผู้รักษาความจำและความคิดแบบใดแบบหนึ่งที่ตายตัวไว้ไม่ได้รานิพพานถูกกายใจนี้ปิดบังอยู่เมื่อเป็นอิสระจากการปิดบังของกายใจเสียได้จิตคุณจึงมีสิทธิ์โปร่งทะลุกออกไปเห็นอะไรอีกอย่างหนึ่งที่อยู่นอกขอบเขตของกายใจเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์อันแตกต่างจากทุกสิ่งที่คุณเคยรับรู้ และเมื่อเห็นนิพพานคุณเห็นด้วยสติเห็นด้วยจิตที่ ท, ทรงอุเบกขาไม่ได้เห็นด้วยอาการหลงเข้าข้างตัวเองไม่ได้กําลังยืนอยู่ข้างกิเลสไม่ถูกครอบงามด้วยโมหะดังนั้นจึงไม่สงสัยอีกเลยว่านิพพานมีจริงไหมและด้วยวิธีอย่างไรจึงสามารถเห็นนิพพานได้เมื่อเห็นประจักษ์คุณจึงไม่สงสัยด้วยว่า คนอื่นเห็นได้อย่างคุณไหมที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือใครเป็นผู้นำวิธีเห็นนิพพานมาเปิดเผยคนนั้นย่อมเป็นผู้มีพระคุณสูงสุดได้แก่พระศาสดา ข, ของพุทธซึ่งองค์ปัจจุบันคือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่โคดมเมื่อเป็นโซดาบันบุคคลคุณจะยังอยู่กับลูกเมียได้เหมือนชาวบ้านชาวเรือนอื่น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 หากบาปเก่ามีสิทธิ์ส่งผลให้เดือดเนื้อร้อนใจบ้างก็จะส่งผลขณะอยู่ในภาวะมนุษย์นั่นเองหากยังไม่ใช่โสดาบานบุคคลก็ยังมีความไม่แน่นอนไม่ว่าจะทำบุญสั่งสมคะแนนบวกมาแค่ไหนก็ตามเพราะปุตุชนยังมีความประมาทได้ถูกโมหะครอบงาได้ตลอดเวลา การเป็นโสดาบันไม่ใช่ประการได้เฉพาะแค่ชาติหน้าชาตถิถัดไปจนถึงนิพพานคุณก็จะไม่ต้องพาดลงต่ำกว่าความเป็นมนุษย์อีกแล้วคือต่ำที่สุดแค่มนุษย์สูงที่สุดแค่พรหมผลจากนั้นคือนิพพานอันปราศจากการข้องเกี่ยวกับพบน้อยพบใหญ่ทั้งหลายหากคุณไม่อยากเชื่อว่าตัวเองจะทาได้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 จากนั้นเชื่อมั่นศรัทธาในพระพุทธเจ้าว่าพระองค์รู้จักนิพพานจริงทราบทางไปนิพพานจริงคุณยึดศาสดาองค์เดียวเป็นสารณะไม่หวังมีที่พึ่งอื่นอีกคุณควรสำรวจอยู่เรื่อยๆว่าถ้าให้ตายต่อนนี้จิตจะคิดห่วงหน้าพวองหลังถึงอะไรบ้างก็ฝึกพิจารณาเสียวว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงมีอันต้องเสื่อมสลายไป แม้ขณะที่คุณยังไม่เลิกหวงแหนอยู่นั่นเองฝึกยอดความคิดสะสมความปล่อยวางวัละเล็กวัละน้อยอย่าดูถูกการได้คิดเล็กๆน้อยๆเพราะเมื่อสั่งสมมากแล้วการได้คิดจะกลายเป็นการคิดได้แบบตกผลึกเต็มภูมิเมื่อปล่อยวางเล็กๆน้อยๆได้ก็ขยับขึ้นมาปล่อยวางอย่างใหญ่ขึ้นอีกหน่อย อาศัยหลักความจริงที่ว่าถ้าจะเป็นพระโสดาบันต้องเห็นกายใจนี้ด้วยความเป็นของไม่เที่ยงไม่น่ายึดมั่นถือมั่นเราก็ค่อยๆฝึกดูความจริงวันละนิดเช่นเมื่อนอนเหยียดกายยาวก่อนหลับให้สมมุติว่านั่นเป็นนาทีสุดท้ายของชีวิตเพราะจะตายจริงก็ต้องทอดนอนอย่างนี้และเตรียมเผชิญภาวะลมหายใจขาดศูนย์ไปจากกายเช่นนี้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 จากนั้นจึงมีสติระบายลมหายใจออกแล้วเห็นตามจริงว่าเราไม่ใช่เจ้าของลมหายใจออกเราบังคับให้มีต่ลมหายใจออกไม่ได้เรารักษาลมหายใจออกไว้ตลอดไปไม่ได้เอาแค่นั้นพอแล้วเห็นความจริงของลมหายใจทุกคืนขอเพียงชั่วขณะเดียวที่คุณเกิดความรู้สึกว่างจากตัวตนความว่างชนิดนั้น จะขยายชัดขึ้นเรื่อยๆเป็นอิสระจากความเกาะเกี่ยวมากขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นเชื้อเพลิงสำหรับขักเคลื่อนไปสู่ความตายอย่างโซดาบันได้เต็มพิกัดหากคุณมีเวลาเหลืออีกสิปีเพื่อเตรียมตัวตายด้วยวิธีดูลมหายใจคือละหนึ่งครั้งก่อนนอนคุณจะสะสมความว่างจากตัวตนได้ 3,650 ครั้งซึ่งก็ทรงพลังพอใช้แล้ว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 แค่ไม่รู้สึกว่าลมหายใจที่กำลังจะขาดจากกายเป็นสมบัติของเราจิตก็มีสิทธิ์สงบรวมลงถึงฌานด้วยอาการปล่อยวางได้ในช่วงสั้นๆตรงนั้นแหละที่ภาวะแบบโซดาบันจะปรากฏคือคุณจะเห็นนิพพานอันปราศจากนิมิตปราศจากรูปรอยใดๆหมดจากภาวะรับรู้เช่นนั้นก็จะตระหนักว่า ประตูอาบายปิดสนิทเด็ดขาดแล้วมีแต่ความสว่างโคลงทั่วตลอดแล้วและเพื่อจะเป็นโสดาบันได้นั้นข้อแม้มีอีกนิดหนึ่งคือชาตินี้คุณห้ามฆ่าพ่อฆ่าแม่ห้ามฆ่าพระอรหันต์แล้วถ้าคุณเป็นพระก็ห้ามทำให้สงในวัดแตกกันเพราะบาปหนักเหล่านี้จะจำกัดสิทธิ์ไม่ให้จิตเข้าถึงความผนึกแน่นเป็นฌานก่อนตาย ซึ่งเท่ากับปิดกัน้นไม่ให้มีทางเห็นนิพพานไปด้วยพ้นจากนั้นแม้ทำบาปหนักมาเพียงใดก็ยังพอมีสิทธิบรรลุมรรคผลกันได้ดังเช่นที่ท่านองคุลิมานแม้มือเปื้อนเลือดฆ่าคนเกือบครบพันด้วยความหลงผิดอยากได้วิชาดีหลังจากพบพระพุทธเจ้าและบวชเจริญสติอย่างถูกต้องท่านก็สามารถเห็นความไม่เที่ยงรู้ว่ากายใจไม่ใช่ตัวตน บรรลุธรรมขั้นสูงสุดเป็นพระอระหันตะขีนาศองค์หนึ่งในโลกได้